สิยงคารวะหมดว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกหนึ่งสัพทาธิชาดกว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกได้เป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้องาทั้งปวงพระศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนาตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าสุนัขจิ้งจอกมีนิสัยกระด้างมีความต้องการบริวารบรรลุถึงสมบัติอันยิ่งใหญ่เป็นราชาแห่งสัตว์มีเขี้วงาทั้งปวงฉันใด บรรดามนุษย์ทั้งหลายบุคคลใดมีบริวารบุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นใหญ่ในบริวารเหล่านั้นเหมือนสุนัขจิ้งจอกเป็นใหญ่กว่าสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายชั้นนั้นสัพพทาธิชาดกที่หนึ่งจบ 2. ส, สุนัขขาชาดกว่าด้วยสุนัขฉลาดเอาตัวรอดได้พระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลมีโภคสมบัติมาก ได้เดินผ่านดงไปทำธุระบางอย่างเห็นสุนัขถูกล่ามไว้จึงกล่าวว่าสุนัขที่ไม่กัดกินเชือกหนังนี้โง่จริงธรรมดาบุคคลควรจะเปลืองตนจากเครื่องผูกกินแล้วกลับบ้านสุนัขได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าคำที่ท่านกล่าวนั้นยังฝังใจข้าพเจ้าและข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะรอจนกว่าคนจะนอนหลับสุนัขขชาดกที่สองจบ 3. คุตติละชาดกว่าด้วยคุตติละโพธิสัตว์นักขับรองโพธิสัตว์กล่าวกับเท้าสักกะว่าข้าพระองค์ได้สอนสิทธิ์ให้เรียนการดีดพินเจ็ดสายมีเสียงอันไพเราะน่าจับจิตจับใจเขากลับมาท้าทายข้าพระองค์แข่งขันดีดพินสู้กันบนเวทีเท้าโกสีขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด ท้าวักกะสะดับคํคำของพระโพธิสัตว์แล้วจึงตรัสว่าเพื่อนเอย๋ยเราจะเป็นที่พึ่งเราเป็นคนบูชาอาจารย์สิทธิ์จกชนะท่านไม่ได้ส่วนท่านจะชนะสิทธิน์นาอาจารย์คุตติละชาดกที่สจบ 4. วิคติชะชาดกว่าด้วยการนอบน้อมท่านผู้หมดความต้องการ ฤษีโพธิสัตว์เมื่อปริภาชกหนีไปแล้วจึงแสดงธรรมแก่บริษัทซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ว่าได้ยินมาว่าคนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนเห็นก็ดีปรารถนาสิ่งที่ตนไม่เห็นก็ดีพระพเจ้าเข้าใจว่าถึงเขาจะเที่ยวแสวงหาไปนานแสนนานก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเลยคนย่อมไม่พอใจสิ่งที่ตนได้มาและดูหมิ่นสิ่งที่ตนปรารถนาได้มาแล้ว เพราะความปรารถนาซึ่งมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดข้าพเจ้าขอกระทำการนอบน้อมท่านผู้ปราศจากความปรารถนาวิคติชาชาดกที่4จบ 5. มูลและปริยายชาดกว่าด้วยทรงปราภิกสุผู้ทนงด้วยมูลปริยายสูตรอาจารย์ทิสาปามโมโพทิสัตว์ถามปัญหากับพวกศิษย์แล้วจึงกล่าวว่า การเวลาย่อมกินเหล่าสัตว์ทั้งปวงพร้อมกับตัวเองส่วนผู้ใดกินการเวลาได้ผู้นั้นชื่อว่าเผาตันหาที่เผาเหล่าสัตว์ได้แล้วพระโพธิสัตว์ติเตียนมานบเหล่านั้นว่าศีรษะของนรชนปรากฏมีเป็นจำนวนมากและมีผมหนาปกคลุมจนถึงคอบรรดาคนเหล่านี้ใครบ้างเล่าที่มีปัญญา มูะปริยยยชาดกที่หจบ 6. ภพาโลวาทชาดกว่าด้วยการโอวาทคนผ่านกุดุมพีผู้หนึ่งแกล้งโรยศีโพธิสัตว์จึงกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมประหารสัตว์ก็ดีเบียดเบียนสัตว์ก็ดีฆ่าสัตว์ก็ดีแล้วให้ทานสมณะใดบริโภคอาหารเช่นนี้สมณะนั้นย่อมแปดเปื้อนบาปด้วย พระโพธิสัตว์ฟังแล้วจึงกล่าวว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมถึงจะฆ่าบุตรปัญญาแล้วให้ทานก็ตามทีผู้มีปัญญาบริโภคอาหารนั้นก็ไม่แปดเปื้อนบาปเลยพาโลวาทะชาดกที่หกจบ 7. ปาทันชลิชาดกว่าด้วยปาทันชลีราชกุมารอมารโพธิสัตว์เข้าใจว่าพระราชกุมารเฉลียวฉลาจึงกล่าวว่า ปาทันชลีราชกุมารมีพระปีชาทรงรุ่งเรืองกว่าพวกเราทั้งหมดแน่นอนพระองค์ทรงเห็นเหตุอื่นที่ยิ่งกว่านี้เป็นแน่เพราะฉะนั้นจึงทรงเม้มพระโอษฐ์พระกุมารโง่เขลากล่าวว่าปาทันชลีราชกุมารพระองค์นี้จะทรงทราบสิ่งที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็หาไม่พระองค์ไม่ทรงทราบอะไรเลย นอกจากการเม้มพระโอษฐ์เท่านั้นว่าทันชลิชาดกที่เจ็ดจบ 8. กจิงสุโกโปะมะชาดกว่าด้วยคนไม่รู้ธรรมด้วยยานย่อมสงสัยในธรรมพระเจ้าพรหมทัตตรัสกับพระราชโอรสทั้งสี่พระองค์ว่าเจ้าทั้งหมดได้เห็นต้นองกวาวมาแล้วเพราะเหตุไรจึงสงสัยในต้นทองกวาวนั้นเล่า เพราะพวกเจ้าไม่ได้สอบถามในสารถีให้รอบครอบทุกสถานะใช่ไหมพระศาสดาทรงแสดงเหตุนี้กับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้ธรรมทั้งหลายด้วยยานทั้งปวงบุคคลเหล่านั้นยังสงสัยในธรรมทั้งหลายเหมือนพระราชพาดาสีพระองค์สงสัยในต้นทองกวาวกิ่งสุโกปะมะชาดกที่ปดจบเก้า สารกะชาดกว่าด้วยสารกะวานอนมองงูคิดจะจับลิงจึงเกลี้ยกล่อมลิงว่าพ่อสารกะวานอนเจ้าเป็นลูกคนเดียวของพ่อและเจ้าจากได้เป็นใหญ่ในโพคะในตระกูลของพ่อลงมาจากต้นไม้เถิดมาเถิดลูกพ่อเราจะพากันกลับบ้านเดี๋ยวนี้ลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ใจดีไม่ใช่หรือ ฉะนไหนจึงเขียนตีเราด้วยเรียวภั่เราพอใจอยู่ในป่ามะม่วงที่มีผลสุกท่านจงกลับไปบ้านตามสบายเถิดซาละกะชาดกที่เก้าจบ 10. กกปิชาดกว่าด้วยการเข้าใจผิดว่าลิงเป็นรือสีดาวบดกุมารเห็นลิงปลอมมีความสงสัยจึงกล่าวกับดาวบดโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาว่า ฤาษีผู้นี้ยินดีในความสงบและความสำรวมท่านถูกภัยคือความหนาวเบียดเบียนยืนอยู่เชิญท่านฤาษีเข้ามายังบารรณาลานี้เพื่อบรรเทาความหนาวความกรวัวกระววายทั้งสิ้นเถิดพระโพธิสัตว์ฟังคำของบุตรแล้วจึงลุกขึ้นมองดูก็รู้ว่าเป็นลิงจึงกล่าวว่าผู้นี้ไม่ใช่ฤาษีผู้ยินดีในความสงบและความสำรวมหรอก แต่เป็นลิงที่ห้อยโ้นไปตามกิ่งมาเดือมันมักประทุษร้ายมักโกรธและมีสันดานเลวซามถ้ามันเข้ามามันก็จะพึงทำลายบารรณศาลานี้กะปิชาดกที่10บจบสิงคาลวักที่ส0บจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. สัพพทาธิชาดก 2. สุนัขาชาดก 3. คุตติละชาดก 4. วิคติชาชาดก 5. มูลปริยาชชาดก 6. พาโลวาทชาดก 7. ปาทันชลิชาดก 8. กิงสุโกรประมะชาดก 9. สาลกะชาดก 10. กปิชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. ทันหวัก 2. สันทววัก 3. กัลยาณวัค 4. อาสาทิสวัค 5. รูหกะวัคหก 6. นาตังธนวัค 7. พีรณธธรมภกะวัค แ, แกาสาวะวัค 9. อุปาหนวัค 10. บสิงคาลวัคทุกานิบาตจบ 3. ติกนิบาต 1. สังกับปะวักหมดว่าด้วยความดำริ 1. สังกับปะราคะชาดกว่าด้วยราคะเกิดเพราะความดำริพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมหาศาลถูกลูกศอนคือกิเลสแทงจึงกราบทูลพระราชาว่าอาตมาถูกลูกศรคือกิเลสอาบยาพิษคือราคะซึ่งเกิดจากความดำริถึงกาม รับที่หินคือวิตกอันนายช่างสอนยังไม่ได้ขัดถูให้เกลี้ยกลว่วยังไม่ได้ดึงสายธนูให้พ้นหมวกหูข้างขวาของคันธนูยังไม่ได้ติดขนปีกนกยูงเป็นต้นแทงเข้าที่หัวใจทำความเร่าร้อนไปทั่วสันพางกายอาจตอมาไม่ได้เห็นบาดแผลที่ถูกแทงและเลือดที่ไหลออกจากบาดแผลเลยตลอดเวลาที่ไม่ได้อบรมจิตด้วยอุบายอันแยบคาย อาตมาได้นำทุกขมาให้แก่ตนเสียเองสังกับประราคาชาดกที่หนึ่งจบ 2. ติละมุติชาดกว่าด้วยการผูกโกรธเพรา ะ, มะเมล็ดงาเพียงกำมือเดียวพรมทัตกุมารทรงผูกโกรธอาจารย์ไม่หายจึงตรัสกับอาจารย์ว่าการที่ท่านอาจารย์จับแขนข้าพเจ้าและเคี่ยนข้าพเจ้าด้วยไม้เรียว เพราะงากรรมมือเดียวนั้นยังฝังใจข้าพเจ้าอยู่จนทุกวันนี้ท่านพราหมณ์ชรอยท่านจะไม่ใยดีในชีวิตของตนละสิจึงมาที่นี้เพราะท่านเคยจับแขนข้าพเจ้าเคียนถึงสามครั้งอาจารย์ได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าอารยชนบางคนย่อมกีดกันคนกระทําความชั่วด้วยอาชญ雅การกระทํานั้นเป็นการสอนหาใช่เป็นเวรไม่ บัณดิตทั้งหลายรู้เหตุนั้นอย่างนี้ติลมุติชาดกที่สองจบสมมณีกันถาชาดกว่าด้วยการขอแก้วมณีพญานาคเมื่อจะห้ามดาวโบทไม่ให้ขอจึงได้กล่าวว่าเพราะแก้วมณีดวงนี้เป็นเหตุทำให้ข้าวน้ำเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามากมายข้าพเจ้าให้แก้วมณีท่านไม่ได้ท่านเป็นคนขอเกินไป ข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วเมื่อท่านขอแก้วมณีจนทำให้ข้าพเจ้าหวาดกลัวเหมือนชายหนุ่มถือดาบคมที่ลับด้วยหินทำให้ผู้อื่นสะดุ้งกลัวข้าพเจ้าให้แก้วมณีท่านไม่ได้ท่านเป็นคนขอเกินไปข้าพเจ้าจะไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วดาบทโพทธิสัตว์ผู้พี่ได้กล่าวกับดาบทผู้น้องว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา อันหนึ่งเพราะขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังนาคราถูกเรสีขอแก้วมณีจึงไม่หวนกลับมาให้เรสีเห็นอีกเลยมณีกันทะชาดกที่สามจบ 4. กันตะกะกุชิสินทะวะชาดกว่าด้วยม้าสินทพยินรำข้าวพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าเมื่อจะทดลองลูกม้าสินทพจึงกล่าวว่า หญ้าอันเป็นเดนเข้าตังและรำข้าวเจ้าเคยกินมาแล้วนั่นเป็นอาหารของเจ้าเพราะเหตุใดบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบได้กล่าวว่ามหาพรามสถานที่ใดประชาชนไม่รู้จักสัตว์เลี้ยงโดยชาติโดยวินัยสถานที่นั้นมีเข้าตังและรำข้าวอยู่เป็นจานวนมากส่วนท่านรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้านี้เป็นม้าชั้นยอดชนิดใด เ้าพเจ้ารู้อยู่เพราะอาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำข้าวของท่านกุณทักะปุจจิสินทวชาดกที่สีจบ 5. สุกชาดกว่าด้วยลูกนกแขกเต้าพระศาสดาครั้นทรงนำเรื่องในอดีตมาแล้วจึงได้ตรัสว่านกแขกเต้าตั ว, ตวนั้นรู้ประมาณในการกินอาหารเพียงใด จะมีอายุยืนและเลี้ยงดูมารดาปิดาได้นานเพียงนั้นแต่เมื่อกลืนกินอาหารมากเกินไปมันจึงจมลงแล้วในสมุดนั้นเพราะว่ามันไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นการรู้จักประมาณคือการไม่ติดอยู่ในรถอาหารเป็นการดีบุคคลผู้ไม่รู้จักประมาณจะจมลงผู้รู้จักประมาณจะไม่จมลงสุขชาดกที่หจบ 6. เชรูทปาณชาดกว่าด้วยขุดบ่อน้ำเก่าพระศาสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วจึงได้ตรัสว่าพ่อค้าทั้งหลายที่มีความต้องการน้ำพากันขุดบ่อน้ำเก่าอยู่ด้วยแร่เหล็กแร่ทองแดงแร่ดีบุกแร่ตะกัวแร่เงินแร่ทองแก้วมุกดาแก้วไพยทูลเป็นจานวนมากแต่พ่อค้าเหล่านั้นไม่ยินดีด้วยทรัพย์นั้น ได้พากันขุดลึกยิ่งขึ้นไปอีกพญานาคตัวมีพิษร้ายแรงมีเดชกล้าในบ่อน้านั้นได้ฆ่าพวกเขาด้วยเดชแห่งพิษเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อจะขุดอย่าขุดลึกเกินไปเพราะว่าบ่อน้ำที่ขุดลึกเกินไปไม่เป็นการดีทราบที่พวกพ่อค้าขุดได้มาและชีวิตของพวกพ่อค้าถูกพญานาคให้พินาศไปเพราะการขุดลึกเกินไป เชรทปาณชาดกที่หจบ 7. จ็ามณิจันทชาดกว่าด้วยคามณิจันทพราหมอาธาสมุขขกุมารโพธิสัตว์เห็นกุริยาของพวกลิงแล้วจึงได้กล่าวกับอมาตยคามณิจันทพราหมาว่าสัตว์นี้ไม่ฉลาดที่จะกะหรือสร้างบ้านเรือนเป็นสัตว์มีปกติหลุกลิกน่ายน่นมักทําลายสิ่งที่เขาทําไว้แล้วสร้างไว้แล้ว สัตว์ตรกูลนี้มีธรรมชาติอย่างนี้ขนอย่างนี้ไม่ใช่ขนของผู้มีจิตประกอบด้วยปัญญาลิงนี้เป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้วางใจพระเจ้าชนะสันทะผู้เป็นพระชนกของข้าพเจ้าได้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ว่าธรรมดาลิงไม่รู้เหตุที่ควรหรือไม่ควรอะไรเลยสัตว์เช่นนั้นจะเลี้ยงดูมารดาบิดาพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวของตนไม่ได้เลย พระเจ้าทศรถผู้เป็นพระชนก ข, ของข้าพเจ้าได้ตรัสอนไว้อย่างนี้ภาณิจันทชาดกที่เจดจบ 8. มันธาตุราชาชาดกว่าด้วยพระเจ้ามันธาตุพระศ า, าสดาครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนาแล้วจึงได้ตรัสว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคโจรรอบภูเขาสิเนรุส่งแสงสว่างสวัยไปทั่วทิศมีกําหนดประมาณเท่าไร สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในที่มีกำหนดประมาณเท่านั้นล้วนเป็นทาสของพระเจ้ามันทาตุหมดทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความอิ่มในกามทั้งหลายไม่มีแม้ด้วยฝนกหาปณะนะกามทั้งหลายมีความยินดีน้อยแต่มีทุกข์มากบัณฑิตรู้ชัดแล้วอย่างนี้สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์แต่ยินดีในความสิ้นตันหา มันทาตุราชาชาดกที่แปดจบ 9. กติริตวัชาชาดกว่าด้วยติริตะวัชาดาบทกุปรากเข้าไปฝ้าพระราชาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่ากรรมอะไรอะไรที่สำเร็จด้วยวิชาของดาบทนี้ไม่มีเลยอันหนึ่งดาบทนี้เป็นพระญาตเป็นพระสหายของพระองค์ก็หามิได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไร ติริตะวัชดาบทผู้มีปกติถือไม้สามท่อนเที่ยวไปจึงบริโภคโพชนะมีรสเลิศเล่าพระราชาทรงสรรเสริญคุณของติริตะวัชดาบทโพที่สัตว์ว่าเมื่อพ่อแพ้ในการรบตกอยู่ในอันตรายแต่ผู้เดียวดาบทนั้นได้ทำการอนุเคราะห์ยื่นมือช่วยเหลือพ่อผู้ตกยากอยู่ในป่าใหญ่อันทารุณเพราะการช่วยเหลือนั้น พ่อผู้กำลังเผชิญทุกอยู่ก็ขึ้นจากบ่อน้ำได้พ่อผู้ดำรงอยู่ในมนุษย์โลกนี้กำลังตกอยู่ในวิสัยของพญามาจุราชมาถึงสถานที่นี้ได้เพราะการช่วยเหลืออันแสนแย่ของดาบดนั้นลูกเอย๋ยติรีตวัชดาบดเป็นผู้สมควรแก่ลาบพวกเจ้าจงถวายปัจจัยที่ควรบริโภคจงบูชาด้วยปัจจัยที่ควรบูชาแก่ท่านเถิด ติรีตวชะชาดกที่เกจบ 10. ทูตชาดกว่าด้วยทุกชีวิตเป็นทูตของท้องผู้หุดโลเลคนหนึ่งได้เห็นวิธีเสวยพระกรยาหารของพระเจ้าโพชนะสุธิกะโพทิสัตตกอยู่ในอำนาจของความอยากจึงกล่าวสองกถาทูลว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาไปยังสถานที่ไกลเพื่อจะขอแม้กับคนที่เป็นศัตรู ือประโยชน์แก่ท้องใดข้าพระองค์เป really ah ็นทูตของท้องนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพขอพระองค์อย่าทรงพิโรธข้าพระองค์เลยมนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจของท้องใดทั้งกลางวันกลางคืนข้าพระองค์เป็นทูตของท้องนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพรสขอพระองค์อย่าทรงพิโรธข้าพระองค์เลยพระราชาได้สับคํคของบุรุษนั้นแล้วจึงตรัสว่า พ่อพราหมณ์เราจะให้โคแดงสักหนึ่งพันตัวพร้อมกับโคจ่าฝูงแก่ท่านเพราะทูตจะไม่ให้แก่ทูตได้อย่างไรแม้เราก็เป็นทูตของท้องนั้นเหมือนกันทูตชาดกที่สิบจบสังกัปะวัคที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีในวัคนี้คือหนึ่งสังกัปปะราคาชาดก 2. ติลามุติชาดก 3. มณิกันทะชาดก 4. คุณทกกกุจิสินทวชาดก 5. สุกชาดก 6. ชรูทะปาณชาดก 7. คามณิจันทะชาดก 8. มดมาตุราชาชาดก 9. ตดิริตวัชาดก 10. ทูตชาดก ปุมวัหมวดว่าด้วยดอกบัวหนึ่งปุมชาดอกว่าด้วยลูกชายเศรษฐีขอดอกบัวลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งเรียกชายจมูกแหว่งมาแล้วกล่าวขอดอกบัวว่าผมเล่นหนวดที่ขาดไปแล้วขาดไปแล้วยังงอกขึ้นอีกชั้นใดขอจมูกของท่านจงงอกขึ้นชั้นนั้นเราขอดอกบัวท่านแล้วขอท่านจงให้แก่เรา ลูกชายเศรษฐีคนที่สองกล่าวขวาว่าเพืชที่เก็บไว้ในฤดูใบไม้ร่วงเขาหวานลงในนาแล้วงอกขึ้นชันใดขอจมูกของท่านจงงอกขึ้นชันนั้นเราขอดอกบัวท่านแล้วขอท่านจงให้แก่เราพระโพธิสัตว์ลูกชายเศรษฐีคนที่สามกล่าวขอว่าคนทั้งสองคนนี้เพ้อเจ้ออยู่ด้วยคิดว่าผู้นี้จะให้ดอกบัวแก่เราบ้าง พวกเขาจะพูดหรือไม่พูดก็ตามจะหมู่ของท่านไม่มีทางจะงอกขึ้นได้เราเพียงแต่ขอท่านเท่านั้นท่านจงให้ดอกบัวแก่เรานะสหายปทุมชาดกที่หนึ่งจบ 2. มุทุ ป, ปาณิชาดกว่าด้วยพระราชาถูกหลอกด้วยคนฝ่ามืออันอ่อนนุ่มพระราชธิดาให้แม่นมเรียงคาถาไปทูลพระราชกุมาว่า เมื่อใดมีคนใช้ที่มีฝ่ามืออ่อนนุ่มช้างที่ฝึกไว้ดีแล้วเวลามืดและฝนตกเมื่อนั้นพระองค์พึงสมประสงค์แน่นอนพระราชาโพธิสัตว์ไม่อาจจะรักษาพระราชธิดาไว้ได้จึงได้ตรัสว่ายิงเหล่านั้นพูจาอ่อนหวานไม่รู้จักพอให้เต็มได้ยากเหมือนกับแม่น้ำย่อมจมลงในนรก บุคคลรู้ชัดเนื้อความข้อ น, นั้นแล้วพึงเว้นให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นคบหาชายใดด้วยความพอใจหรือด้วยทรั์ก็ตามย่อมตามเผาผลาญชายนั้นทันทีเหมือนไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ของตนมุทุปาณิชาดกที่สองจบ 3. จุละปะโลพนชาดกว่าด้วยการประเล้าประโลมของหญิงเพียงครูเดียว อ น, นิทิโก ม, มานโพธิสัตดํมริร จ, จะช่วยเหลือดาบทผู้เสื่อมจากฌานจึงได้ตรัสว่าตัวท่านเองเดินมาได้บนผิวน้ำที่ไม่แตกแยกด้วยฤทธิ์ครั้นถึงความคลุกคลีกับหญิงจึงจมลงในห้วงน้ำใหญ่ธรรมดาหญิงทั้งหลายมีการหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่เสมอมีมายามากทำพรหมจรรย์ให้กำเริบย่อมจมลงในนรกบุคคลรู้ชัดเนื้อความข้อนั้นแล้ว พึงเว้นให้ห่างไกลหญิงเหล่านั้นคบหาชายใดด้วยความพอใจหรือด้วยทรัพย์ก็ตามย่อมตามเผาผลาญชายนั้นทันทีเหมือนไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ของตนจูละปะโลพนาชาดกที่สมจบ 4. มหาปนาทะชาดกว่าด้วยปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะพระาศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา จึงได้ตรัสพระคถ า, าเหล่านี้ว่าพระราชาทรงพระนามว่าปนาทะทรงมีปราสาททองคํากว้าง16ชั่วลูกธนูตกสูง1000พันชั่วลูกธนูปราสาทสูง1000พันชั่วลูกธนูมีพื้นร้อยชั้นประดับประดาด้วยทงแก้วมณีสีเขียวมีนักฟ้อนอยู่6 0พันคนโดยแบ่งออกเป็นเจ็ดพวกฟ้อนราอยู่ในปราสาทนั้นพัทชิ เธอพูดถึงประสาทตามที่มีแล้วในการนั้นในการนั้นตถาคตเป็นเท้าสักกะเทวราชเป็นผู้ขนขวายช่วยเหลือการงานของเธอมหาปณาทะชาดกที่สจบ 5. คูรับประชาดกว่าด้วยคนกล้าไม่กลัวลูกศรที่คมบุตรพ่อค้าถามพระโพธิสัตว์ผู้เป็นหัวหน้าทำหน้าที่อารักขาว่า เมื่อมรณภัยนั้นปรากฏเฉพาะหน้าเพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูอันแหลมคมด้วยความว่องไวและถือดาบที่ทาน้ำมันอันคมกริบเพราะเหตุไรนอท่านจึงไม่สะดุ้งกลัวพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวสองคาถาว่าเมื่อมรณภัยนั้นปรากฏเฉพาะหน้าเพราะเห็นพวกโจรยิงลูกธนูแหลมคมด้วยความว่องไวและถือดาบที่ทาน้ามันอันคมกริบ ข้าพเจ้ากลับยินดีและพอใจมากที่สุดข้าพเจ้านั้นมีความยินดีจึงย่ำยีศัตรูได้ข้าพเจ้าได้สละชีวิตไว้ก่อนแล้วเพราะเมื่อยังอาลัยในชีวิตบุคคลกล้าหาญจะกระทํากิจของผู้กล้าหาญในการใดๆไม่ได้เลยครูรับปะชาดกที่หจบ6ว่าตักขะสินทวชาดกว่าด้วยม้าสินทพชื่อว่าตักขะ ลูกลาได้เข้าไปหาแม่ลาแล้วถามว่าแม่เป็นโรคผอมเหลืองไม่ใยดีอาหารเพราะม้าตัวใดม้านั้นคือตัวนี้มาพักดีแล้วบตดนี้เพราะเหตุไรแม่จึงให้ม้านั้นหนีไปเสียเล่าแม่ลาได้ฟังคำของลูกจึงกล่าวว่า <c oughs> ก็ถ้าความเชยชิดเกิดมีแต่แรกพบชื่อเสียงของสตรีจะเสียหายเพราะเหตุนั้นลูกเอย๋ย แม่จึงทำให้ม้านั้นหนีไปพระศาสดาได้ตรัสพระคถาว่าหญิงใดไม่ปรารถนาชายมียศศักดิ์เกิดในตระกูลสูงที่เขาชักนำมาแล้วจะเสียใจเป็นนานแสนนานเหมือนพัทลีแม่ลาเสียใจเพราะคิดถึงมาสินทบที่ชื่อวาตาักะวาตักะสินทวชาดกที่หจบ 7. สุวรรณกั ก, ะกะตะชาดก ว่าด้วยนางช้างพังอ้อนวอนปูทองช้างโพธิสัตท์ให้ช้างพังทราบว่าตนถูกปูหนีบเพื่อจะไม่ให้นางหนีไปจึงกล่าวว่าเราถูกปูทองซึ่งมีตาปูออกมามีกระโดกเป็นหนังอาศัยอยู่ในน้ำไม่มีขนหนีบแล้วร้องขอความกรุณาอยู่เจ้าอย่าทิ้งเราผู้เป็นสามีคู่ชีวิตไปเลย ช้างพังหันกลับไปปลอบโยนพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ลูกเจ้าดิฉันจะไม่ทิ้งท่านผู้เป็นช้างมีอายุห0สิปีเสื่อมกำลังท่านเป็นสามีสุดที่รักของดิฉันยิ่งกว่าแผ่นดินอันมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตช้างพังอ้อนวอนปูทองว่าท่านเป็นสัตว์น้าที่ประเสริฐกว่าปูทั้งหลายในสมุทรในแม่น้ำคงคาและในแม่น้ายมูนา ขอท่านจงปล่อยสามีของข้าพเจ้าผู้ร้องไห้ยอยู่เถิดสุวรรณะกัคตะชาดกที่เจ็ดจบ 8. อารามัทูสกะชาดกว่าด้วยลิงทำลายสวนพระโพธิสัตว์เห็นกิริยาของลิงจึงกล่าวว่าลิงตัวที่ได้รับสมมุติว่าประเสริฐที่สุดกว่าลิงทั้งปวงที่มีชาติเสมอกันยังมีปัญญาเพียงแค่นี้ ส่วนลิงนอกจากนี้จะมีปัญญาเช่นไรพวกลิงได้ฟังคําของพระโพธิสัตว์แล้วจึงกล่าวว่าท่านผู้ประเสรศิฐท่านยังไม่รู้จึงได้ติเตียนอย่างนี้พวกเราไม่เห็นรากแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไม้ยังรากลงลึกแค่ไหนพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเราไม่ติเตียนพวกเจ้าที่เป็นลิงป่ารอกแต่ผู้ที่ควรถูกติเตียนคือพระเจ้าวิษณ์เสนาะ ที่พวกเจ้าปลูกต้นไม้ให้อารามาูสกะชาดกที่8ดจบ 9. สุชาตาชาดกว่าด้วยทรงปราถนานางสุชาดาพระโพธิสัตว์เป็นโอรสของพระเจ้าพรมทัตได้ตรัสกับพระมารดาว่าธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่สมบูรณ์ด้วยวันนะมีเสียงอันไพเราะน่ารักน่าชมแต่ผู้ใจหยาบกระด้าง ย่อมไม่เป็นที่รักของใครๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วไม่ใช่หรือนกดูเว่าวสีดำตัวนี้มีสีไม่สวยลายพร้อยไปทั้งตัวแต่เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายจำนวนมากเพราะร้องด้วยเสียงอันไพเราะเพราะฉะนั้นบุคคลควรพูดคำอันสละสลวยคิดก่อนพูดพูดพอประมาณไม่ฟุ้งซ่านถ้อยคาของผู้ที่แสดงเป็นอาจเป็นธรรม เป็นถ้อยคาอันไพเราะเป็นถ้อยคำที่เป็นภาสิทธิสุชาตาชาดกที่เกจบ10อุลูกะชาดกว่าด้วยนกเขากาตัวหนึ่งไม่พอใจการตั้งนกเขาให้เป็นราชาจึงกล่าวกับนกทั้งหลายว่าได้ข่าวว่าพวกญาติทั้งหมดจะแต่งตั้งนกเขาให้เป็นใหญ่ถ้าพวกญาติอนุญาตข้าพระเจ้าจะขอพูดสักคำหนึ่ง นกทั้งหลายอนุญาตว่าเอาเถิดเพื่อนพวกเราทั้งหมดอนุญาตแต่เจ้าจงพูดแต่ถ้อยคําที่เป็นอัจเป็นธรรมเท่านั้นเพราะว่าพวกนกหนุ่มๆที่มีปัญญาและทรงไว้ซึ่งญาณอันรุ่งเรืองยังมีอยู่กาได้รับอนุญาตแล้วจึงกล่าวว่าขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแค่ท่านทั้งหลายการที่แต่งตั้งนกเ้าให้เป็นใหญ่นั้นข้าพเจ้ายังไม่ชอบใจ ท่านจุมมองดูหน้านกเขาที่ยังไม่โกรธ ด, ดูสิท่านนกเขาโกรธจะทำหน้าอย่างไรอุลูกะชาดกที่10บจบปทุมวัคที่สองจบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. ปทุมชาดก 2. มุทุปานิชาดก 3. จูละปะโลพนชาดก 4. มหาปนาทชาดก ห้าคูรปปะชาดกหกวาตะคะสินทวชาดกเจ็ดสุวรรณกัตกะชาดกแปดอารามทูสกะชาดกเก้าสุชาตาชาดกสิบอุลูกะชาดก อุทปาณวัตหมวดว่าด้วยบ่อน้ำหนึ่งอุทปาณาทูสะชาดกว่าด้วยสุนักจิ้งจอกทำลายบ่อน้ำฤาษีโพธิสัตว์กล่าวกับสุนักจิ้งจอกว่านี่เพื่อนทำไมเจ้าจึงได้ถ่ายรถบ่อน้ำดื่มที่ขุดได้ยากของพวกฤาษีชีไพรผู้บาเพ็ญตบะอยู่ตลอดกาลนานเล่า สุนักจิงจอกได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกเราดื่มน้ำที่ใดแล้วย่อมถ่ายลงที่นั้นนั้นเป็นธรรมของพวกสุนักจิงจอกและเป็นธรรมของพวกเรามาตั้งแต่ครั้งบิดาและปู่ท่านไม่ควรจะกล่าวโทษธรรมนั้นต่อแต่นั้นพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าธรรมของพวกเจ้ายังเป็นเช่นนี้ก็จะภาพที่ไม่ใช่ธรรมของพวกเจ้าจะเป็นเช่นไรขอพวกเราอย่าได้เห็นธรรม หรือสภาพที่มิใช่ธรรมของพวกเจ้าในการไหนๆเลยอุทปาณาทูสกาชาดกที่หนึ่งจบ 2. พยัคฆชาดกว่าด้วยรุกขเทวดาอ้อนวอนราชสีและเสือรุกขเทวดาโพธิสัตว์ได้กล่าวกับรุกขเทวดานอกนี้ว่าเพราะการคบหาอมิตรใดความปลอดภัยจะหมดไปบัณฑิตควรรักษาลาภยศและชีวิตของตน ที่มิตรนั้นเคยครอบครองมาก่อนเอาไว้ประดุดบุคคลรักษาดวงตาเพราะการครบหากับมิตรใดความปลอดภัยเพิ่มพูนมากขึ้นบัณฑิตควรทำการช่วยเหลือในกิทุกอย่างของมิตรนั้นให้เหมือนกับทำให้กับตนเองพระโพธิสัตว์กล่าวว่ามาเถิดราชสีและเสือพวกเจ้าจงกลับไปยังป่าใหญ่ขอมนุษย์ยาโค้นป่าที่ปราศจากราชสีและเสือ ขอพวกราชสีและเสือก็อย่าปราศจากป่าเลยพยาคฆชาดกที่สองจบ 3. กัจฉปะชาดกว่าด้วยเรือสีขอร้องเต่าพระโพธิสัตว์บทเป็นเรือสีเมื่อจะล้อเล่นกับลิงทุศีนจึงกล่าวว่าใครหนอเดินมาเหมือนคนเถอพัตหารมาเต็มถาดเหมือนพรามได้ลาบเต็มมือ เจ้าไปเที่ยวพิขาจาร์ที่ไหนหนอเข้าไปหาผู้มีศรัทธาคนใดมาลิงทุศีลได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าเข้าพระเจ้าเป็นลิงโง่เขลาจับต้องสิ่งที่ไม่ควรจับต้องขอความเจริญจงมีแก่ท่านขอท่านจงช่วยปล่อยเข้าพเจ้าเข้าพระเจ้าหลุดพ้นแล้วจะไปยังภูเขาพระโพธิสัตว์เจรจากับเต่าว่าธรรมดาเต่าเป็นต้นตระกูลกรสปะโคด ลิงเป็นต้นตระกูลโกนธัญญาโคดกระสปะท่านจงปล่อยโกลธัญญาเสียเถิดท่านได้เคยร่วมเมถุนกันมาแล้วกระปะชาดกที่สามจบ 4. โลละชาดกว่าด้วยโทษของความโลเลนกพิราโพธิสัตว์เห็นการนั้นท้อถอนใจเมื่อจะล้อเล่นจึงกล่าวว่านกยางอะไรนี่มีงอน เป็นโจรมีเมฆเป็นปู่แม่นกยางเจ้าจงลงมาข้างล่างนี้เถิดกาสหายของเราเป็นสัตว์ดุร้ายกาได้ฟังดังนั้นจึงตอบว่าเราไม่ใช่นกยางมีงอนหรอกเราเป็นกาโลเลไม่เชื่อฟังคําของท่านท่านจงมาดูเถิดเรากลายเป็นกามีขนเกลียนไปแล้วพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเพื่อนเอย๋ยเจ้าจะประสบความชั่วร้ายเช่นนี้อีก เพราะปกติของเจ้าเป็นเช่นนั้นอาหารของมนุษย์เป็นของที่นกไม่ควรกินโลละชาดกที่สี่จบห้ารุจิระชาดกว่าด้วยเรื่องนกกาที่น่ารักพระโพธิสัตว์กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านกยางตัวนี้ช่างน่ารักเสน่หกระไรมาอาศัยอยู่ในรังกานั่นเป็นรังของกาดุร้ายสหายของเรากากล่าวว่า ท่านรู้จักเราดีไม่ใช่หรือพี่ราบเพื่อนรักผู้มีข้าวฟ่างและลูกเดือยเป็นอาหารเราไม่เชื่อฟังคำของท่านท่านจงมาดูเถิดเรากลายเป็นกาขนเกลียนไปแล้วพระโพธิสัตว์กล่าวว่าเพื่อนเอย๋ยเจ้าจะประสบความชั่วร้ายเช่นนี้อีกเพราะปกติของเจ้าเป็นเช่นนั้นอาหารของมนุษย์เป็นของที่นกไม่ควรกินรู้จิระชาดอกที่ห้าจบ ภรุธรรมชาดกว่าด้วยธรรมของชาวกุรุพรามทั้งหลายสรรเสริญคุณของพระอุปราชโพธิสัตว์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเหล่าชนข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบศรัทธาและศีลของพระองค์แล้วและขอรับพระราชทานแลกเปลี่ยนทองคํากับพญาช้างอัญชนนวันนาไปไว้ในแคว้นกาลิงคะพระเจ้าค่าพระอุปราชโพธิสัตว์ตอบว่า สัทั้งหมดนั้นที่พึงเลี้ยงด้วยข้าวก็ดีไม่พึงเลี้ยงด้วยข้าวก็ดีในมนุษย์โลกนี้ตัวใดเจาะจงไปหาเราไม่ควรปฏิเสธนี้เป็นคําของบุรพาจารย์พรามทั้งหลายเราจะให้พญาช้างนี้ที่สมควรแก่พระราชาเหมาะที่พระราชาจะทรงใช้สอยมียศประดับตกแต่งอย่างสวยงามปกคลุมกระพองด้วยข่ทองคาแก่พวกท่าน พร้อมทั้งนหนควานพวกท่านจงไปตามปรารถนาเถิดกูรุธรรมชาดกที่6จบ 7. โรมชาดกว่าด้วยดาบทรวงนกพิราบโรมะ ดาบทกงคิดจะลวงจับนกที่ราบกินจึงได้กล่าวสองคถาว่าโรมะกะเราอยู่ในถ้ำศิลามาห้าสิบกว่าปีเมื่อก่อนนกทั้งหลายไม่หวาดระแวงไว้ใจจึงบินมาเกาะที่มือเราวักกังคะคราวนี้ทำไมนกเหล่านั้นจึงพยายามหนีไปอยู่ซอกเขาแห่งอื่นนกทั้งหลายไม่นับถือเราเหมือนเมื่อก่อนกระมัง หรือจากไปเสียนานจึงจําเราไม่ได้หรือนกพวกนี้ไม่ใช่นกพวกนั้นนกพิราบโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงกล่าวว่าพวกเราจําท่านได้ดีไม่ลืมหรอกท่านก็คือดาบทรูปนั้นแหละพวกเราก็ไม่ใช่นกพวกอื่นแต่จิตของท่านประทุสร้ายในสัตว์เหล่านี้ท่านอาชีวกเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงกลัวท่านโรมาชาดกที่เจ็ดจบ มหิสะชาดกว่าด้วยลิงกับกระบือรุกเทวดาได้กล่าวกับกระบือโพธิสัตว์ว่าเพราะมุ่งหมายประโยชน์อะไรต่อลิงผู้มีจิตกลับกรกมีปกติประทุษร้ายมิตรท่านจึงอดกลั้นทุกม้ไว้เหมือนคนอดกลั้นต่อเจ้านายผู้ให้สิ่งที่ต้องการได้ทุกอย่างท่านจงขิดมันจงเหยียบมันถ้าไม่ปรามันไวบ้าง พวกสัตว์โง่ก็จะพึงเบียดเบียนหนักข้อขึ้นกระบือโพทิสัตว์กล่าวว่าก็เมื่อเจ้าลิงตัวนี้เข้าใจว่ากระบือตัวอื่นเหมือนข้าพเจ้าจะกระทำอนาจารยอย่างนี้กระบือเหล่านั้นก็จะฆ่ามันเสียในที่นั้นข้าพเจ้าจะพ้นจากปานาติบาตมหิสะชชาดกที่8จบ 9. สตปัปตะชาดก ว่าด้วยมานพเข้าใจผิดนกกระนัพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านาสุนักจิ้งจอกซึ่งเที่ยวไปในป่าปรารถนาดีประกาศให้รู้ในหนทางมานพเข้าใจว่าเป็นผู้ไม่ปรารถนาดีแต่เข้าใจนกกระนัผู้ไม่ปรารถนาดีว่าเป็นผู้ปรารถนาดีฉันใด บุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อผู้หวังดีกล่าวสอนก็ไม่รับคำสอนอันหนึ่งชนเหล่าใดสรรเสริญบุคคลนั้นหรือยกย่องบุคคลนั้นเพราะความกลัวเขายอมเข้าใจบุคคลนั้นว่าเป็นมิตรเหมือนมานพเข้าใจนกลระนยสตะปั ต, ตะชาดกที่เก้าจบ 10. ปุทธูสกะชาดกว่าด้วย ลิงผู้ชอบทำลายพวงดอกไม้พรามโพธิสัตว์เรียกลิงจ่าฝูงมาว่ากล่าวว่าพญาเนื้อท่านเห็นจะเป็นผู้ฉลาดในการทำห่อใบไม้เป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงได้รื้อมันเสียคงจะกระทำพวงอื่นให้ดีกว่าเป็นแน่ลิงได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในการทำพวงใบไม้ก็หาไม่ พวกเราได้แต่รู้อสิ่งของที่เขาทำไว้แล้วทำไว้แล้วเท่านั้นตระกูลของพวกเรานี้มีทำอย่างนี้พราพุทโพธิสัตว์กล่าวว่าธรรมของพวกเจ้ายัางเป็นเช่นนี้ก็สภาพที่มีใช่ธรรมของพวกเจ้าจะเป็นเช่นไรขอพวกเราอย่าได้เห็นธรรมหรือสภาพที่มีใช่ธรรมของพวกเจ้าในการไหนๆเลยปุถุสกคะชาดกที่สิบจบ อุทปาณาวั์ที่3จบรวมชาดกที่มีในวั์นี้คือ 1. อุทปาณทุสกชาดก 2. พยัคฆชาดก 3. กัจฉปะชาดก 4. โลละชาดก 5. รุจิระชาดก 6. กุรุธรรมชาดก 7. โรมะชาดก 8. มหิสะชาดก 9. สตตะปตชาดก 10. พุทธูสกะชาดก 4. อ่อพันตรวักหมวดว่าด้วยผลไม้ทิพชื่ออพันตร 1. หอพันตรชาดก ว่าด้วยผลไม้ทิพชื่ออพันตระเท้าศักกะทรงจิรจากับพระมเหสีของพระราชาว่าผลของต้นมะม่วงที่ชื่ออพันตระเป็นผลไม้ทิพหญิงแพ้ท้องบริโภคแล้วจะประสูตรโอรสเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนางผู้เจริญแม่พระนางก็จะได้เป็นพระมเหสีทั้งจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระสวามี พระราชาจากทรงนำผลมะม่วงชื่ออภันตระนี้มาพระราชทานแก่พระนางนกแขกเต้าสุวะโปตกะได้กล่าวกับพวกราชสดว่าบุคคลผู้กล้าหาญยอมเสียสละชีวิตร่างกายพยายามทําประโยชน์แก่ผู้ที่เลี้ยงดูตนมาย่อมประสบฐานะอันใดข้าพเจ้าก็จะประสบฐานะอันนั้นเช่นกันอภันตระชาดกที่หนึ่งจบ 2. เสยยชาดกว่าด้วยคบคนดีผู้คบก็เป็นคนดีพระราชาโพธิสัตว์สนทนากับเหล่าอมาตท์ว่าผู้ใดคบหาบุคคลผู้ประเสริฐผู้นั้นชื่อว่ามีสวนอันประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเรากระทำไมตรีกับพระราชาโจรองค์เดียวแล้วได้ปลดปล่อยพวกท่านตั้งร้อยคนให้พ้นการถูกประหารชีวิต เพราะฉะนั้นบุคคลเพียงผู้เดียวกระทําไมตรีกับชาวโลกทั้งปวงและโลกนี้ไปแล้วพึ่งไปสู่สวรรค์พวกท่านผู้เป็นชาวกาสีจงฟังคำของเรานี้เถิดพระาศาสดาตรัสพระคถาว่าพระเจ้ากังษามหาราชผู้ทรงปกครองกรุงพาราณสีครั้นทรงมีพระดำรัสนี้แล้วทรงสละธนูและลูกศรทรงสำรวมออกผนวดแล้ว เซยชาดกที่สองจบ 3. วัตกีสุกระชาดกว่าด้วยสุกรชื่อวัตกีเชดินโกงเห็นเสือโครงกลับมาตัวเปล่าจึงกล่าวกับเสือโครงว่าเจ้าเสือโครงในวันก่อนเจ้าเที่ยวย่ำยีเหล่าสุกรที่นี้แต่บัดนี้เจ้าซบเซามาแต่ผู้เดียววันนี้เจ้าไม่มีแรงหรือเสือโครง เสือโครงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าได้ยินว่าวันก่อนสุกรเหล่านี้เห็นข้าพเจ้าแล้วเกิดความกลัวแยกย้ายกันวิ่งหนีไปหาที่ซุกซ่อนตัวละทิศละทางแม้วันนี้สุกรเหล่านั้นเมือยู่รวมกันในชัยภูมิที่ข้าพเจ้าจะย่ำหยีได้ยากทเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในไพรสนนั้นได้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมฝงสุกรที่มาประชุมพร้อมกัน ข้าพเจ้าเห็นด้วยตัวเองซึ่งมิตรภาพอันไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงกล่าวสรรเสริญฝูงสุกรที่มีขี้เป็นกำลังจึงชนะเสือโคร่งได้และพ้นมรณะภัยได้ด้วยความสมคีวัตกีสุกรชาดกที่สจบ 4. สิริชาดกว่าด้วยสมบัติเกิดขึ้นแก่ผู้มีบุญพระาศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ไม่มีบุญจะมีศิละปะหรือไม่มีศิละปะก็ตามทีขนขวายรวบรวมทรัพย์ใดไว้เป็นจำนวนมากทรัพย์นั้นผู้มีบุญย่อมได้ใช้สอยสมบัติจำนวนมากล่งเลยคนเหล่าอื่นไปเสียย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทําบุญไว้ในที่ทั้งปวงเท่านั้นแม้รัตนะทั้งหลายก็เกิดขึ้นในที่มิใช่บอกเกิดแห่งรัตนะ พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงรัตนเหล่านั้นจึงตรัสว่าไก่แก้วมณีไม้เท้าและหญิงชื่อปุญญลักษณาเทวีเกิดขึ้นแก่อนาถบินกะเศรษฐีผู้ไม่ทำบาปทำแต่บุญไว้แล้วสิริชาดกที่สจบ 5. มณิสูกระชาดกว่าด้วยสุกรพยายามทำลายแก้วมณี สุกรทั้งหลายไม่เห็นอุบายจึงเข้าไปหาดาบทโพธิสัตว์ไหวแล้วจึงกล่าวว่าพวกเข้าพเจ้าประมาณ30สตัวได้อาศัยอยู่ในถ้ำแก้วมณีถึงเจปีได้ปรึกษากันว่าพวกเราจะทำลายประกายของแก้วมณีแก้วมณีกลับผ่องใส ย, ยิ่งขึ้นตลอดเวลาที่พวกเข้าพเจ้าเสียสีมันอยู่บัดนี้พวกเข้าพเจ้าขอถามถึงกิจนี้ ท่านเข้าใจกิจนี้อย่างไรในเรื่องนี้ดาบทโพธิสัตว์บอกแก่สุกรเหล่านั้นว่าแก้วไพลทูล น, นี้บริสุทธิ์งามผ่องใสไม่มีใครสามารถจะทำลายรัศมีของแก้วไพลทูนนั้นให้เสียหายได้สุกรทั้งหลายพวกท่านจงพากันหนีไปเถิดมณิสุกรชาดกที่ห้าจบ 6. สาลุกรชาดกว่าด้วย สุกรสาลูกะถูกเลี้ยงไว้ข้าโคโมหาโลหิตะโพธิสัตวได้กล่าวกับโคจูและโลหิตะผู้น้องว่าเจ้าอยาปราถนาเป็นเช่นสุกรสาลูกะเลยเพราะสุกรสาลูกะนี้กินอาหารที่ทําให้เดือดร้อนเจ้าอย่าทะเยอทะยานไปนักจงกินต้นข้าวรีบเถิดนั่นเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนอีกไม่นานนักพระราชสํานัก พร้อมกับบริวาร น, นั้นจะเป็นแขกมาที่นี้ตอนนั้นเจ้าจะเห็นสุกรสาลูกะถูกตีด้วยสากนอนตายอยู่พระศ า, าสดาตรัสพระคถ า, านี้ว่าครั้นเห็นสุกรสาลูกะถูกฆ่าด้วยสากนอนตายถูกชำละอยู่โคแก่ทั้งสองได้คิดว่าต้นข้าวรีบของพวกเราเท่านั้นประเสริฐที่สุดสาลูกะชาดกที่หจบเจ ลาภครรหะชาดกว่าด้วยวิธีการหลอกลวงเพื่อสแสวงหาลาภอาจารย์ที่สาปามโมโพธิสัตได้ตรัสกลับมานผพ้เป็นสิทธว่าไม่บ้าก็ทำเป็นเหมือนคนบ้าไม่ใช่คนส่อเสียดก็ทำเป็นเหมือนคนส่อเสียดไม่ใช่นักฟ้อนราก็ทำเป็นเหมือนนักฟ้อนราไม่เตื่นข่าวก็ทำเป็นเหมือนเตื่นข่าวย่อมได้ลาภในบุคคลที่ลุ่มหลงงมงาย นี้เป็นคำสอนสำหรับเธอลูกศิษย์ได้ฟังคำของอาจารย์แล้วจึงติเตียนลาบว่าพราหมณ์หน้าติเตียนการได้ยศและการได้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประสบความพินาศหรือประพฤติไม่เป็นธรรมถึงแม้เราจะเป็นนักบวชถือบาทเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพเช่นนั้นแหละยังดีกว่าการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมลาภครหะชาดกที่เจ็ด มัดจุดทานชาดกว่าด้วยบุญที่ให้ทานแก่ปลาอุดมพีโพธิสัตว์ตรวจ ด, ดูห่อซับแล้วจำตราของตนได้จึงกล่าวว่าปลาทั้งหลายมีราคาเกินกว่า 1,000 พกระหาปณ ะ, ะกับเจ็ดมาศไม่มีคนที่จะเชื่อเรื่องนี้แต่สำหรับข้าพเจ้ามีเงินอยู่เจ็ดมาศ ก, ก็ซื้อปลาพวงนั้นได้ เทวดาประจําแม่น้ำปรากฏกายอยู่ในอากาศกล่าวว่าท่านได้ให้อาหารแก่ฝูงปลาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าพระเจ้าเมื่อระลึกถึงส่วนกุศลนั้นและความอ่อนน้อมที่ท่านได้กระทำแล้วจึงรักษาทรัพย์ของท่านไว้เทวดาบอกการโกงที่น้องชายกระทำแก่พระโพธิสัตว์ว่าผู้ใดทากรรมชั่วล่อลวงเอาทรัพย์สมบัติของพี่น้องชายของพ่อแม่ผู้นั้นจัดว่า เป็นผู้มีจิตชั่วร้ายย่อมไม่มีความเจริญแม้เทวดาก็ไม่นับเือเขามัจุธานชาดกที่แปดจบ 9. กานาณาฉันทะชาดกว่าด้วยความต้องการที่ต่างกันพราหมณ์กล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในเรือนหลังเดียวกันแต่มีความต้องการต่างกัน คื่อข้าพระองค์ต้องการบ้านสวยส่วนนางพรามณีต้องการแม่โคโนมร้อยตัวบุตรของข้าพระองค์ต้องการรถเทียมด้วยม้าอาชาในหญิงสะพยต้องการต่างหูแก้วมณีส่วนนางปุณิกาทาสีผู้ตาต้อยต้องการครกกระด้งและสากพระเจ้าค่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงให้บ้านสวยแก่พรามแม่โคโนมร้อยตัวแก่นางพรามณี รถเทียมมะอาชาในแก่บุตรของพรามต่างหูแก้วมณีแก่หญิงสะั้ยและครกกระดง้งสากแก่นางปุณิกาทาสีผู้ต่ำต้อยนานาฉันทะชาดกที่เกจบส0บศีลวีมังสกะชาดกว่าด้วยการพิจารณาอนิสงค์ของศีลพรามเนด้กราบทูลพระราชาถึงการกระทําของตนเพราะต้องการจะทดลองศีลว่า ได้ยินว่าศีลเป็นสิ่งที่ดีงามศีลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดนาคที่พิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนใครๆเพราะสำนึกอยู่ว่าตนมีศีลเราจะสมาทานศีลที่บัณฑิต ร, รับรองว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยในโลกซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีลได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประพฤติข้อปฏิบัติของพระอริยะผู้มีศีลเป็นที่รักของหมู่ญาต และรุ่งเรืองในหมู่มิตรหลังจากตายแล้วจะไปสู่สุคติสีเลวีมังสกะชาดกที่สิบจบอภันตระวักที่สี่จบรวมชาดกที่มีในวักนี้คือ 1. อัพอภันตระชาดก 2. เสยยชาดก 3. วัตกีสูกระชาดก 4. ีสิริชาดกหมณิสูกระชาดก 6. สาลูกะชาดก 7. ลาภะครหะชาดก 8. มัชชุทานชาดก 9. นานาฉันทะชาดก 10. บสีละวิมังสกะชาดก